เคยเป็นไหมฮะว่าเวลาปรุงอาหารอะไรอยู่เนี่ยครับผมแล้วรู้สึกว่าชิมแล้วเนี่ยเอ๊มันขาดอะไรนะถ้าคุณมีความคิดแบบนี้หรือเคยเจอประสบการณ์แบบนี้แสดงว่าคุณยังปรุงรสได้ไม่ถูกต้อง